สู่ความคิดความปรุงความจดจําสําคัญมั่นหมายต่างๆในสิ่งที่เคยผ่านที่เคยรู้เคยเห็นมาแล้วนั่นแหะอีกเริ่มก่อเรื่องแล้วขยายตัวออกไปให้มีที่สิ้นสุดยุติลงได้เรื่องจึงมีอยู่เรื่อยๆแล้วขยายตัวออกไปโดยลำดับจนกระทั่ง่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 พ, พ, พักผ่อนนอนหลับไปเสียเวลาเมื่อเพียก็พักผ่อนเสีย เ, เกิดโรคภัยข้าเจ็บขึ้นมาก็บาบัดรักษาก็ยังมีการเวลาระงับดับลงพอเป็นความสุข ก, กายสบายธาตขันบ้างแต่จิตใจไม่เป็นอย่างนั้นก็ควรอยู่ตลอดเวลาเพราะความกระเพื่อมตัวเป็นไปอยู่โดยสม่งเสมอเพราะมีสิ่งผักดันออกมาให้คิดให้ปุงอยู่เช่นนั้นจิตริงเหมือนกับลูกฟุตบอล น, นั่นเอง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 การะงรับดับทุกข์ยิงหมายถึงใจเป็นสําคัญเอาใจเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเพราะตัวนี้เป็นตัวการถ้าพูดว่าผู้ต้องหาก็คือจิตดวงนี้ผู้ต้องโทษก็ผู้จิตดวงนี้เป็นคนขี้คุกขี้ตะลางก็คือจิตดวงนี้นนนนถูกกับถูกขังอยู่ในวัฏจสงสารพบน้อยพบใหญ่ล้นแล้าตั้งแต่เป็นพบที่รับความทุกข์ความทรมาร วิบากจะว่ายัางไงธรรมวิบากก็คือผลผลที่เกิดขึ้นจากเหตุก็ต้องทำให้ผู้ทำนั้นได้รับความทุกข์คนามบาใ ก, กในภพมรรคภูมใหญ่สังไา้สังสาสงสรตานั้เท่องเที่ยวอยู่อย่า ง, ง, างนั้นพราหาทางออกไม่ได้นี่พระพุธทธเจ้าจึงมาเปิดทางให้รู้ทางออกนี้คือทางออกเรียกว่านิยานิกรรท นำสัตว์โลกผู้ติดข้องด้วยสิ่งมัวมืดเป็นเครื่องปิดบังทั้งหลายนี้ให้ออกได้โดยนิยา น, นิกรรมสั่งสอนโดยลำดับลำดับนับตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดการให้ทานก็แก้ไขกิเลสประเภทหนึ่งคือความตั้งหนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนี่จึ่งเป็นกิเลสที่ถูกมรรคดุลจิตใจ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 การไม่ทำเพราะความเห็นสาระสำคัญ่งชีวิตของเขาของเหล่านี้ชื่อว่าเป็นการแก้กิเลสประเภทที่เห็นแก่ตัวในลักษณะดังที่กล่ามานี้ออกได้นะทีนาพึงเทียบลักษณะเดียวกันกาเมมูสาสุราด่วนแน้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสเครื่องผูกมัดจิตใจของ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 รู้หมดแล้วรู้แล้ว ย, ยกเราขึ้นมาเรารู้หมดแต่เราหาได้รู้เราไม่นี่คือเราหลงเรารู้สิ่งภายนอกแต่มาหลงตัวเองสิ่งภายนอกในสถ า, านที่นีไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกที่นอกจากตั ว, มวหม า, ายถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารจินยานนี้นี่แหละรู้สิ่งเหล่านี้แล้วยังไงไ ม, ไม่ไม่รู้ตัวจริงคือจิตจิตเลยยกตัวขึว้นมารู้สิ่งทั้งหลายแต่ anne, ทั้งทั้งที่ตัวกําลังหลงอยู่ในตัวเองท่านจึง